จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหกสัมผัสหกและเวทนาหกควบคู่กันไปความหมายของคําว่าวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้ง คำ ว, ว่าความรู้แจ้งในที่นี้เกิดจากอายุธนาภายในกับอายุธนาภัยนอกกระทบกันนะที่เรียกความหมายของคําว่าวิญญาณฉะนั้นวิญญาณ น, นั้นมีอยู่หกอย่างก็คือหนึ่งอาศัยรูปกระทบในตาเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจับขูวิญญาณสองอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณสาม อาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานณวิญญาณเอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณหอาศัยโผฏฐพักกระทบกายเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณ 6. อาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณฉะนั้นวิญญาณทั้ง6นี่แหละ เรียกว่าเกิดขึ้นจากอาจนะภายในกับอาจนะภายนอกมากระทบกันขึ้นนะเมื่อระหว่างอาจนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอาจนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตับพระและธรรมารมณ์ทั้งหกอย่างนี้กระทบขึ้นก็เกิดวิญญาณนะเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะและทางใจนะเมื่อเหตุการณ์ มาประจวบกันเข้าอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นเกิดความพอใจนะหรือเกิดความไม่พอใจหรือว่ารู้สึกเฉยเฉยอันนี้ก็ย่อมจะเกิดได้นะอันนี้ก็ย่อมจะเกิดได้เป็นธรรมดาอ่ฉะนั้นปัญหาที่สําคัญก็คือว่าเมื่อมันกระทบกันแล้วก็จะทําให้เกิดนะเวทนาตัณหาอุปาทานขึ้นนะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานฉะ น, นั้น อันนี้แหละทุกครั้งเวลาสิ่งเหล่านี้มันรักกระทบกันขึ้นเราจะต้องมีสติมีความสำรวมระวังนะมีความสำรวมระวังความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในนะเพราะอาศัยอานะภายนอกและภายในกระทบกันให้สำเร็จเป็นการเห็นรูปนะการได้ยินเสียงเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณ น, นะคือหมายความว่าตากระทบกับ อรูปนะตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายาถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆทั้งหมดนี้เลยทําให้เกิดวิญญาณอ่าทีนี้วิญญาณสัญญาและปัญญาทั้งสามนี้มีลักษณะคล้ายๆกันอ่าแต่ผิดกันอ่าแต่ว่าแตกต่างกันไปบ้าง คำว่าวิญญาณได้แก่ความรู้แจ้งสัญญาได้แก่ความจําได้ปัญญาได้แก่ความรอบรู้เช่นตาที่มองไปกระทบป้ายที่มีสีดำเกิดความรู้สึกขึ้นว่าสีดานะอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณนะเรียกว่าวิญญาณแต่เกิดความรู้สึกอีกว่าสีนั้นเป็นสีดำที่เขาฉาบทากระดานเอาไว้หรือฉาบทาผนังเอาไว้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าสัญญา ความรู้พิเศษขึ้นไปอีกว่าสีดำนั้นเป็นของที่เขาทำขึ้นด้วยวัตถุธาตุต่างๆต่างๆหรือว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมาผสมกันเข้าตามสัสดส่วนในที่สุดก็สำเร็จเป็นสีดำความรู้อย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าปัญญาความรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาฉะนั้นวิญญาณหกเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมากระทบกัน เมื่อเหตุปัจจัยมาหลายๆอย่างกระทบกันอย่างนี้ก็จึงทำให้เกิดวิญญาณทั้งหกนะเกิดวิญญาณทั้งหกอันนี้แหละนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกครั้งที่อาจนะภายในกับอานจนะภายนอกกระทบกันนั้นให้เราทุกคนมีความสำรวมระวังนะเกิดความสำรวมระวังสำรวมระวังอะไรสำรวมระวังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น ในเมื่อตาเห็นรูปฟูฟังเสียงจมูกลมเกิ็ดเล่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆคือให้รู้จักปิดให้รู้จักกัน้นดันั้นถ้ามีสตินี่แหละเป็นตัวกั้นเป็นตัวห้ามอไอตัวกิเลสตัวตัณหาที่จะเกิดขึ้นจากอาจนะภายในกับอาจนาภายนอกนะข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า ทุกจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทั้งหทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกจะหมดไปก็หมดไปทั้งหทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเราจะต้องสัมรวมในทวารทั้งหมดก็คือในทวารทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองทุกครั้งที่ตาเห็นรูปเราเกิดความพอดใจก็เป็นอิทถารมนะเป็นอิทถารลมหูฟังเสียงเกิดความขอยใจก็เป็นอิทถารม เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาจะูกมล้มเป็นเป็นเคลนที่เราพอใจก็เป็นอิจฉารมลิ้นลิ้มรสเป็นรสที่เราพอใจก็เป็นอิจฉารมลกายถูกต้องสัมผัสก็เป็นการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราพอใจก็เป็นอิจถารมลใจนึกคิดในอารมณ์ที่มันเลิศเลินสะดวกสบายก็เป็นอิจถารมลเป็นอารมณ์ที่น่ารักเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นอารมณ์ที่น่าใคร่ฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งในทางที่ ที่ทําให้เกิดความพอใจก็ทําทให้เราเกิดราคะคือความกําหนัดนะกาหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นต้นเหล่านั้นเ<ส>มื่อเรากําหนัดก็แน่นอนที่สุดเวทนานั่นแหละเกิดขึ้นนะเมื่อเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็ทําให้เราเกิดตัณหาอุปาทานนะก็คือความอยากได้นะเมื่อความอยากได้ก็ทําตามอยากนั้นะแหละอุปาทานก็เกิดขึ้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานะถ้าไม่ได้ด้วยไดกกล ไม่ได้ด้วยแลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้ด้วยสุจริตก็ต้องหาวิธีการอ่าทุจริตหรือวิธีทางอย่างใดที่จะให้ได้รูปเสียงกลิ่นรดนั้นมาฉะนั้นอันนี้แหละจึงต้องคอยระวังนะคอยระวังมีสติรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อนะอยู่ทุกเมื่อในเมื่อระหว่างอาณาจนาภายในกับภายนอกจะกระทบกันจะสัมผัสกัน ฉะนั้นมันเกิดทุกไอตรงสัมผัสนี่เอง้ตัวสัมผัสนี่แหละเป็นตัวที่จะหยุดหรือเป็นตัวที่จะตัดเอไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่เกิดความกำหนัดนะหรือว่าจะให้เกิดก็ได้ไให้เกิดก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ให้เกิดเราก็มีสติสำรวมระวังเราจะให้เกิดเราก็ทำอะไรตามอาเภอใจในเมื่อตาเห็นรูปเราไม่พอใจหฟังเสียงไม่พอใจจมูกดมกลิ่นเราก็กลิ่นที่เราไม่พอใจ เล่นเล่มรถก็เป็นรถที่เราไม่พอใจกายถูกต้องสัมผัสก็เป็นสิ่งที่เราไม่พอใจใจนึกคิดในอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาหรือรประสบกับอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเป็นอนิจฐารมณ์เป็นอารมณ์ที่เราไม่ไม่ต้องการก็อยากจะให้มันออกไปโทสะมันก็เกิดขึ้นนะโทสะเกิดขึ้นทีนี้บางครั้งในสิ่งที่เราจะให้มันไปนั้นบางครั้งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตามที่เราปรารถนานะไม่ได้ไปปรารถนานั้นเราก็ต้องหาวิธีการ นะฮวิธีการบางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกันหรือมีการทะเลาะวิวาทกันจนกระทั่งที่สุดก็คือมีการจริงดีจริงเด่นกันทุกตีกันมีถึงที่สุดก็คือฆ่ากันนั่นเองนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าต้องระวังนะต้องระวังถ้าไม่ระวังก็จะมีพิษมีภยัยนะจะมีปัญหามากนะีฉะนั้นสําคัญที่สุดก็อยู่ว่าอยู่ตรงที่ว่าสํารวมระวังนั่นเองนะ ให้สัหรวมระวังถ้าหากว่าเราไม่สํารวมระวังปัญหาก็เกิดขึ้นมากทุ ก, ก็เกิดขึ้นมากแต่ถ้าเราสํารวมระวังแล้วก็เกิดความสุขขึ้นจนถึงที่สุดก็คือว่าทำให้เรานั้นเรียกว่าสามารถที่จะพ้นจากทุกในขั้นยากแล้ก็ขั้นกลางขั้นละเอียดได้นะขั้นยาบขั้นกลางขั้นละเอียดงด่ายจนถึงที่สุดก็คือได้มรรคผลได้นิพพานนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของ อาจนะภายในกับอานานะภายนอกมาสัมผัสกันแล้วทําให้เกิดวิญญาณทีนี้มาในในในในในอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสหกอย่างนะการสัมผัสหกอย่างการสัมผัสหกก็คืออานานาภายในมีในตาเป็นต้นนะอานานะภายนอกมีรูปเป็นต้นนะวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกว่าสัมผัสนะ เรียกชื่อตามอาจณะภายในเป็นหกนะจักกุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสนี่เรียกว่าการที่มากระทบกันนั่นแหละเรียกว่าสัมผัสนะตัวสัมผัสอืมทีนี้ก็ต้องอธิบายสักหน่อยคําว่าอสัมผัสเนี่ยคือความถูกต้องหรือการกระทบกันแห่งธรรมสามประการคืออาจณะภายในตา หูจมูกเลนกายใจกับอายชนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัณนฑะ์เป็นต้นและวิญญาณนะและวิญญาณทั้งสามอย่างนี้มารวมกันเข้ า, เ, าเรียกว่าสัมผัสนะฉะนั้นสัมผัสนี่แหละจึงเป็นตัวสาคัญนะเป็นตัวสาคัญที่สุดเพราะเป็นมูลเหตุแห่งเวทนาสัญญาตัณหาอุ ป, ปาทานนะ คือทำกุศลและอกุศลทั้งปวงให้เกิดขึ้นนะให้เกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรารู้จักสำรวมอาญนะภายในในขณะเมื่ออาญนะภายนอกมากระทบไม่เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายในเมื่อเวลาในเมื่ อ, อ, อตาเห็นรูปหูฟังเสีย ง, งจมูกดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆนะเมื่อเราสำรวมแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็ ที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นโดยความสำรวมเมื่อเราสำรวมดีแล้วก็จะเป็นเครื่องที่ปิดกั้นต้านทานไม่ให้ไม่ให้ตันหาอุปาทานหรือเวทนาสัญญาตันหาอุปาทานนั้นมากระทบะหรือว่ามารบกวนจิตใจของเราจนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์กันทุกวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูโดยมากก็มาจากทางนี้ ที่เรามีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมาจากทางนี้ทั้งไม่ได้มาจากทางไหนบางคนก็สังเกตดูสิพอเห็นโรปแค่นั้นละเอาแล้วอมีการวิกฤวิการแล้วสแสดงอาการจุ๊ๆแล้วดูดปาดบ้างเฝี้ยวฟ้าววางอะไรไม่รู้่สารพัดนะเนี่ยหรือมีการพูดแทะลมเนี่ยอันนี้เพราะอะไรนี่แหละเพราะเราไม่รู้จักสัมรวมระวัง เ, เกี่ยวกับในเมื่อตาเห็นรูปแค่นั้นยังไม่พอ าบางคนก็ยังตามไปพิรีภิไรเรียกว่าตามตือ้อาตามตือ้อนี่ก็เพราะไปเห็นรูปนี่เพราะขาดการสำรวมระวังาขาดการสารวมระวังหรือบางครั้งเราดูหนังดูทีวีดูละครต่างๆบางครั้งพอเห็นแล้วเราก็เกิดอชอบใจเกิดพลเราะขึ้นม า, าเกิดพลเราะขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่ามันมันอริอร่อยทางต า, ารู้สึกว่ามันสนุกทางตา สนุกทางสามันก็เกิดเวทนาขึ้นนะเกิดเวทนาขึ้นถ้าเป็นสุขก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าเราเฉยเฉยมันก็เป็นอุเบกขาเวทนานะในในลักษณะอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันจากนั้นเราจึงบอกว่าเราจึงต้องสํารวมระวังนะต้องสํารวมระวังทุกสิ่งทุกอย่างหูเหมือนกันเวลาฟังเสียงอะไระบางครั้งเราก็ พอฟังถ้าเป็นเสียงที่เราชอบใจรู้สึกว่าเรานี่จะตั้งใจฟังนะบางครั้งเสียงที่เราพอใจนั้นถึงกันเราต้องปากอุทานขึ้นมาเลยนะอาจจะเป็นโอ้โหหรืออาจจะบอกว่าแหมเยี่ยมจริงๆหรืออาจจะอุทานอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาบางครั้งก็ถึงกับการปรบมือขึ้นนะนี่แหละออันเนื่องมาจากอาสัมผัสในทางหูนะเปลนก็เหมือนกันอนะ่บางครั้งเราก็ว่าเยี่ยมยอดเลยนะยกมือบอกเลยว่าเยี่ยมยอดจริงๆรเปลญ น, นี่ อย่างนนอย่างนี้แต่ไ้สิ่งที่มันเกณฑ์ที่เรามันไม่ดีเราก็ไม่ยกมือว่าเยี่ยมยอดนะเราก็ไม่พอใจในในทำนองเดียวกันอย่างอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นจึงขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจทั้งหลายจงพยายามระวังเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสให้มากนะการสัมผัสให้มากเพราะให้รู้ว่าตัวสัมผัสนี่แหละเป็นตัวที่จะนำบุญนำกุศล แล้วก็นำบาปนำอกุศลมาสู่จิตใจของเรานะถ้าหากว่าเราอทําไปในทางที่ดีที่งามมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าสํารวมไม่ดีหรือว่าไม่มีการสํารวมมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลไปนะเป็นบาปเป็นอกุศลไปก็เป็นบ่อเกิดแห่งเวทนาเป็นบ่อเกิดแห่งสัญญาทําให้เกิดความจําติดหูติดตาขึ้นมานะจําได้อรู้ตามที่ เราเคยได้เรียนได้ศึกษามารู้ตามที่เราเคยได้เห็นมาเคยได้ยินได้ฟังมานี่แหละก็เป็นตัณหาทำให้เกิดทะยานอยากทยานอยากในการก็เรียกว่าการมาตัณหาคือรูปเสียงกลิ่นรสโฝรดสะพะหรือธรรมารมณ์เพราะว่าตัณหาก็ทำให้เรานั้นอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากได้อยากเป็นวิภวตัณหาก็คืออยากอยากไม่มีอยากไม่มีอยากไม่ได้อยากไม่เป็น อเมื่อเราเกิดตัณหาขึ้นอย่างนี้แน่นอนที่สุดอุปาทานก็เป็นตัวสนับสนุนทําให้เหรานั้นต้องได้ต้องเอาให้ได้ต้องทําลายให้ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นคือมีทั้งดีทั้งชั่วถ้าดีก็เรียกว่าต้องเอาให้ได้และตอนนี้เมื่อต้องเอาให้ได้เนี่ยมันก็เป็นกิเลสนะมันก็เป็นตัณหามันก็เป็นอุปาทานอ่าเมื่อไม่ได้ได้สุจริตก็ต้องทําโดยทุจริตนี่แหละมันก็เลยเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์แห่งเดือดร้อนกันมากยิ่งขึ้นนะ มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอุปาทานในเกาะมีกามุปาทานก็คื อ, อความยึดมั่นในกามนะยึดมั่นในกามติดในกามหลงในกามนะเมื่อติดเมื่อหลงแล้วแน่นอนที่สุดก็ทําอะไรตามอําเภอใจอที่ตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้อดมกลิ่นที่ลิ้นในรลิมรสที่กายได้ถูกต้องสัมผัสติใจในนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราก็ยังไปติดในสิ่งที่อื่นอีกก็คืออะไรเรียกว่าติดใน อืในตัวในตนอการมุปาทานหรือว่าเป็นพวกอัตวาทุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นในสังขารคือร่างกายอนั่นเป็นตัวเป็นตนจะต้องอยู่อย่างนั้นอรูปที่เราว่าสวยนั้นอ่ะมันจะต้องอยู่อย่างนั้นจะต้องเป็นของเราจะไปเป็นของคนอื่นไม่ได้นี่แหละมันจึงเกิดการลบราค้าบฟันกันอที่เราต้องหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวต้องเข้าชิงดีชิงเด่นกันประหัดประหารกัน อิจฉาสยากันมีการค่ากันก็เพราะอย่างนี้คือเราไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเราไปยึดมั่นไปถือมั่นไปถือมั่นจะเป็นยึดมั่นถือมั่นในกามยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือว่ายึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับในเรื่องทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับในเรื่องความไม่รู้เพราะปาทานแล้วก็มีสีกามุปาทานอัตวาทุปาทานยึดมั่นในตัวตน อาทิตถูก ป, ปาทานก็คือว่าอุ ป, ปาทานในความคิดเห็น <c oughs> ในความเห็นว่าต้องเป็นอย่างที่ตนอนึกตนคิดต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ อ, อวิชจูปาทานนะก็คือว่ายึดมั่นนะ ค, คือคือหมายถึงอุปาทานคือตัวอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เนี่ยทําให้ตัวเองต้องยึดมั่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะ นี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นตัวสร้างภพสร้างชาตินะเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวที่ต้องทําให้เราต้องเวียนไหวตายเกิดนะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ท่านลองค่อยๆพิจารณาดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนะีเป็นอย่างนั้นจริงไหมฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวสตินะตัวสติตัวสํารวมตัวระวัง เมื่อเราสำรวมระวังด้วยดีแล้วแน่นอนที่สุดทุก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็เบาบ า, บางเต็มทีนะเกิดขึ้นก็เบาบ า, บางเต็มทีเมื่อทุกไม่เกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดเราก็มาสามารถที่จะพิจารณารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาก็สามารถที่ให้ทาให้เรานั้นตัดกิเลส ต, ตายคลายกิเลสทิงเห็นจริงคือความไม่มีตัวไม่มีตนเราก็จะพ้นจากทุกก็คือถึงวิมุตั่นเองในความหลุดพ้น าจากกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างาฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของสัมผัสนะเพียงย่อๆเดี๋ยวจะสะรุปในตอนท้ายให้ฟังอีกอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องเวทนาหกบ้างนะเวทนาหกก็คือคาว่าเวทนานี่หมายถึงว่าการเสวยอารมณ์นะการเสวยอารมณ์เพราะว่าอันเนื่องมาจากสัมผัสนั่นเองนะสัมผัสนั่นเองสัมผัสนั่นนะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนา นเมื่อเวทนาเกิดก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอเฉยๆก็คือเป็นอุเบกขาบ้างอมีชื่อตามอาจนะภายในเป็นหกอย่างก็คือจักกุสัมผัสสัจชาเวทน า, นาโสตสัมผัสสัจชาเวทนาคาณะสัมผัสสัจชาเวทน า, า, น ช, า, นาชิวหาสัมผัสสัจชาเวทนากายะสัมผัสสัจชาเวทนามโนสัมผัสสัจชาเวทนานี่เนี่ยฉะนั้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้น จากการที่ได้สัมผัสนั้นก็จะจงไปหาตัวตัวสัญญาในความจำนี่สัญญาก็จงไปถึงตัวตัณหาตัวตัณหาก็จงไปถึงอุปาทานนี่มันก็ยิ่งไปกันยกใหญ่นี่สิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าจะเป็นไปในทางที่ทำลายไปในทางที่เราให้ความเกิดความโลภเป็นไปในทางที่เราให้เกิดความโกรธเป็นไปในทางที่เรให้เกิดความหลง อายะณะภายในกับอายะณะภายนอกอประจวบกันเข้าเกิดวิญญาณาเกิดวิญญาณประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นสัมผัสสัมผัสก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอุเบกขาบ้างตามอายะณะภายนอกอเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างใดก็ย่อมได้สวยเวทนาอย่างนั้นอันนี้แสดงตัวอย่างว่าหูได้ยินเสียงก็เกิดวิญญาณอาเกิดเกิดวิ ญ, ญญาณสัมผัสโดยลําดับกัน เสียงนั้นไพเราะหรือว่าเป็นเสียงที่น่าสรรเสริญเราก็ย่อมเสวยสุขถ้าเสียงนั้นไม่ไพเราะเราก็ไม่สรนเริญเสียงนั้นก็จะเป็นนินทาว่าเราอก็ย่อมได้เสวยทุกน่ะ เ, เรียกว่านอกจากนั้นก็ย่อมถ้าเราอยู่เฉยๆก็คือได้อุเบกขานะได้อุเบกขาฉะนั้นทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้นะด้วยการ ศึกษาด้วยการปฏิบัติโดยถ่องแท้สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัตินะไม่ประพฤติเราก็จะไม่รู้อารมณ์ที่มันมากระทบเราตามความเป็นจริงนะก็จะทําให้เรานั่นเกิดความหลงไหลอย่างอย่างมากเมื่อเราหลงไหลแล้วแน่นอนที่สุดก็เป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษก็เป็นบ่อกเกิดแห่งการจกจิงวิ่งราวเป็นบ่อกเกิดแห่งการกระทบกระทั่งกันทั้งที่สุดก็มีการฆ่ากันการฆ่ากัน ฉะนั้นจึงบอกว่าไม่มีอะไรดีด้วยกว็เท่ากับการสัมรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฉะนั้นถ้ า, าว่าจะสรุปด้วยการตั้งเป็นคำถามปัญหาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจว่าคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีชื่อเรียกอะไรได้บ้างที่เรียกอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างไร อันนี้ก็ตอบได้เลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายต น, นะนะเขาเรียกว่าอายตนะโดยเป็นของเนื่องอยู่กับกายหรือเป็นเครื่องต่อภายในนะเพราะว่าคําว่าอายตนะนี่เป็นเครื่องต่อเป็นเครื่องเชื่อมนะต่อภายในระหว่างภายในกับภายนอกนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอนะกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมารมนี่แหละมันเชื่อมมันติดต่อกันฉะนั้น อันแลภายในบางทีก็อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอินทรีย์นะอินทรีย์อินทรีย์หก็หมายถึงว่าเป็นใหญ่ในกิจของตนตาก็เป็นใหญ่ในการดูหูก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในการเล้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสใจก็เป็นใหญ่ในการนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนะคือตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปนั่นแหละฉะนั้นจึงบอกว่าในการเห็นรูปนี่ไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่เท่ากับตาเจ้าหูมาดูก็ไม่ได้เอาจมูกมาดูก็ไม่ได้ ฟังก็หูเป็นใหญ่จะเอาตามมาฟังก็ไม่ได้จะเอาจมูกมาฟังก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นใหญ่ในกิจของตนนะฉะนั้นจึงบอกว่าแต่ละอย่างนั้นมันไม่ขะกันนะไม่คละกั น, นะ ไ, มกนไม่ก้าวไก่กันอันนี้คนเราเหมือนกันถ้ากว่าเราทุกคนนั้นรู้จักหน้าที่นะรู้จักหน้าที่แล้วก็ทําตามหน้าที่แล้วพยายามทําหน้าที่อันนั้นให้สําเร็จรูล่วงด้วยดีรู้จักปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกัน โดยไม่ทําหน้าที่ข้ามกันแน่นอนที่สุดเราจะมีแต่ความสุขเราจะมีแต่ความเจริญกิจการที่ทําคําที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่น่าต้องตาต้องใจและจะทําให้ระบบการงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งของราชของหลวงนั้นเจริญรุ่งเรืองนะเจริญรุ่งเรืองก็เป็นเหตุที่จะนํามาทําให้ชาติของเราเจริญรุ่งเรืองทําให้ศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองนะฉะนั้นอันนี้แหละ เรา Extension, ทุกคนควรพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทําตามหน้าที่นะแล้วก็ทําหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ด้วยการทําให้เสร็จตามวันเวลานะให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยิ่งยนะิ่งขึ้นออย่างนี้เราจะได้ทื่ว่าเรานั้นทําตามหน้าที่หรือว่ามีหน้าที่โดยไม่บกพร่องหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นครูอาจารย์หน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็น เอาบาสกุกบาจิกาหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุสมณเณอะไรอย่างนี้เราจะต้องรู้หน้าที่ของเรานะแล้วก็ทําให้เหมาะสมใจได้นะอย่าไปก้าวไก่กันถ้ามันก้าวไก่กันเมื่อไรแน่นอนที่สุดมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันนะก็เหมือนกับว่าอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเกิดเห็นรูปเสียงกลิ่นรดโดยขาดสติสังรวมระวังแล้วมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันก็เกิดเวทนานะเกิดเวทนาก็เป็นบอกเกิดแห่งสัญญา เมื่อเกิดสัญญาความจำจะว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดตัวตัญหาคืออยากได้อยากได้ก็เกิดอุปาทานทำตามที่ได้นั้นยึดมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าอาชนะภายในหกเรียกชื่ อ, อย่างยางไรได้อีกถ้าเรียกอย่างนั้นก็แปลว่าต้องอธิบายใหม่จากชื่อเดิมะจะถูกไหม และจะอธิบายอย่างไรจึงจะเข้ารูปกันอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าเรียกชื่อวอินทรีย์ก็ได้นอินทะรีย์ก็ได้ถูกแล้วโดยอธิบายว่าเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนก็ตา ก, ก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้งต้นทีนี้ถ้าจะถามว่ากายกับรูปนี้มีมาในหมวดอาจนะเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรนะมีมาในหมวดอาณานะต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้ก็ตอบได้ว่าถ้าเพ่งความก็ต่างกัน กายนั้นประสงค์เอาแต่ที่รู้สัมผัสได้นะเช่นกายมนุษย์และก็กายสัตว์ที่มีใจครองส่วนรูปนั้นประสงค์เอาอารมณ์ที่ตาเห็นนะจะรูปอะไรก็ตามทั้งรูปมีวิญญาณและรูปไม่มีวิญญาณก็เรียกว่ารูปทั้งสิ้นนะเรียกว่ารูปทั้งสิ้นทีนี้รูปประขันกับรูปารมณ์เนี่ยเหมือนกันหรือว่าต่างกันนะต่างกันนะต่างกันรูปประขันประสงค์เอารูปเฉพาะมีวิญญาณครอง นะส่วนรู ป, ปารมณ์นั้นประสงค์เอารูปทั้งมีวิญญาณและหาวิญญาณมีได้นะเสียงของเราก็ดีเป็นตัวเป็นตัวเราเองก็ดีเป็นอาจนะภายในหรือว่าเป็นอาจนะภายนอกเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ตอบได้ว่าเสียงก็เสียงของเราเองก็ดีเป็นตัวเราก็ดีเป็นอาจนะภายนอกเพราะเป็นอารมณ์ที่มาปรากฏแก่โสทวารและขานทวารอ้านะ ทีนี้ถ้าจะถามอีกว่าไอ้โฟกเหมาะเบาะหมอนเป็นอาจนะที่หนึ่งหรือที่ห้านะเป็นอาที่หนึ่งหรือที่ห้าท่านลองนึกลองนึกตามไปด้วยว่าไอ้ที่หลับที่นอนฟูงเบามาะหมอนเนี่ยมันเป็นอาที่หนึ่งหรืออะไรนะที่หนึ่งคืออะไรนะมันเป็นรูปอ่ามันเป็นรูปหรือว่ามันเป็นที่ห้านะเป็นที่ห้าก็คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสอ่าหรือว่าเป็นโพธิภพ หรือเป็นอะไรนี่ทีนี้ก็ให้เราอธิบายอันนี้เราบอกได้หรือว่าเป็นได้ทั้งสองอายณะโดยอธิบายว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏทางจักรสุทวานก็เป็นอายณะที่หนึ่งเป็นอายณะที่หนึ่งหมายถึงว่ามาทางตาประสบทางตาปรากฏทางตาก็เป็นจักรสุทวานหรือจักขุทวานก็คือประตูตาถ้าเป็นอายณะก็เป็นอายะธา น, นีหนึ่งอายะธานีหนึ่ง ถ้ามาถูกต้องกายก็เป็นอายนะที่ห้านะก็เป็นอายะที่ห้าก็คือโพธิภพะหรือว่าตัวกายสัมผัสกันนั่นเองนะกายทวาร น, นะเป็นกายทวารทีนี้รูปกับโพธิภพนี้มาในอายนะนั้นต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้ก็ต่างกันคือเห็นที่ที่เป็นอารมณ์แห่งอายนะต่างกันเหมือนกันที่เห็นเหมือนกัน อเห็นที่เป็นรูปด้วยกันนะคือเหมือนกันที่เป็นรูปด้วยกันนะแต่ว่าต่างกันที่เป็นอารมณ์แห่งอาจนะต่างกันนี่เจะไหนท่านจึงรวมรูปกับโผฏฐพะเป็นอาจนะพวกเดียวกันและเช่นไรเป็นแต่รูปเช่นไรเป็นแต่โผฏฐพะอันนี้ก็เพราะรูปในที่นี้เป็นอารมณ์คู่กับจักสุทวาน ส่วนโพธพะนั้นเป็นอารมณ์คู่กับกายทวารจึงไม่รวมเข้าในพวกเดียวกันฉะนั้นวัตถุที่เราเห็นได้ด้วยตาแต่ถูกต้องด้วยกายไม่ได้ตามตามความเป็นของตามความเป็นของหรือว่าเป็นแต่รูปเช่นพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นต้นนะอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นได้แต่เราถูกต้องไม่ได้นะเห็นได้แต่ถูกต้องไม่ได้ ส่วนที่ถูกต้องด้วยกายได้แต่ไม่ใช่วิสัยของตาที่จะแลเห็นได้โดยปกติเป็นแต่โพธพะตัวอย่างเช่นลมนะลมนี่เรียกว่าเราเอ่ามันสัมผัสได้นะแต่ว่าเราแลไม่เห็นด้วยตานะฉะนั้นสิ่งที่ตาแลายเห็นและกายถูกต้องตามธรรมดาก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเช่นผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้นนะเป็นต้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าจึง จึงเป็นสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปนะว่ารูปที่มาที่เป็นอารมณ์คู่กับจัตุทวานส่วนโฟตภะนั่นก็เป็นอารมณ์คู่กับกายทวานนะจึงไม่รวมเข้าในพวกเดียวกันนะจึงไม่รวมเข้าในพวกเดียวกันอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเข้าใจฉะนั้นที่ได้พูดมาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ6 ก, ก็ดีสัมผัส6 ก, ก็ดีเวทนา6 ก, ก็ดีก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาไม่มากก็น้อย ฉะนั้นก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังัการบรรยายทำรรในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องธาตุหกนะเกี่ยวกับเรื่องธาตุหกคาว่าธาตุนีแ้แปลว่าสิ่งที่ดํารงอยู่ นะสิ่งที่ดำรงอยู่หรือว่าตั้งอยู่นะหรือว่าทรงอยู่นั่นเองนะทรงอยู่ฉะนั้นธาตุหกก็มีปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำอ่าสามเตโชธาตุคือธาตุไฟสีวาโยธาตุก็คือธาตุลมห้าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีในกายหกวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้นะความรู้อะไรได้ ฉะนั้นธรรมชาติหกประการบัญญัติโวหารเรียกกันว่าธาตุนั้นเพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตนเช่นดินก็ทรงไว้ซึ่งลักษณะอันแข็งแข็งอย่างนี้เป็นตน้นอีกในหนึ่งเพราะทรงไว้ซึ่งทุกทั้งปวงนะถ้าธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณไม่มีแล้วก็จักไม่เกิดเป็นกายทุกขเวทนาจะมีมาแต่ไหน นะก็เกิดขึ้นไม่ได้นะนี่อาศัยเหตุที่ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณบางเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกขเวทนาจึงอากูมูลจึงอากูสะสมอยู่เป็นเป็นเป็นหาที่สุดนี้ได้นะเป็นหาที่สุดนี้ได้ฉะนั้นธาตุหกนี้เพิ่มจากธาตุสี่ที่เรารู้กันก็โดยมากกรูุนแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะ แต่นี่การมาเป็นธาตุหกก็คือเพิ่มอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุนะกับวิญญาณธาตุเข้ามาฉะนั้นข้างต้นสองอย่างคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุก็คือช่องว่างที่มีในกายนะเช่นช่องหูช่องจมกูกช่องปากเป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าอ า, อากาศธาตุนะเป็นธาตุที่กําหนดรู้ได้ยากนะเพราะเป็นของละเอียดนะเป็นของละเอียดเป็นของสุ ข, ขุม ไม่เห็นได้ด้วยด้วยตาแต่อาจรู้ได้โดยการสัมผัสแต่ก็ยังได้ยากเหมือนอเรียกว่ายังรู้ได้ยากเหมือนกันเมื่อต้องการจะรู้พึงเอากระบอกกรองน้ำมาปิดช่องข้างบนเสียให้แน่นนะแล้วก็จมลงไปในน้ำจะรู้สึกว่าน้านั้นอ่ะดันน้ำนั้นเข้าไปได้น้อยแล้วก็มีเหมือนว่ามีอะไรดันอยู่คราวนี้เราก็เปิดนิ้วมือจากช่อง อาจากช่องแล้วก็รอไว้ใกล้ๆจมลงไปในน้ําอีกจะรู้สึกว่าสัมผัสเย็นนะเฉยๆรู้สึกว่ามีอะไรเย็นๆเฉยๆมากระทบเราอ น, นั่นแหละคืออากาศธาตุถูกน้ําอัดขึ้นมาแล้วก็กระทบกับนิ้วมือของเรานี่มันมีลักษณะอย่างนี้นะส่วนวิญญาณธาตุนั้นเป็นธาตุที่เกิดจากธาตุทั้งสี่นั่นเองเป็นธาตุที่เกิดจากธาตุาาตสี่ที่เกิดจากธาตุสี่ก็คืออะไรคือหมายถึงว่า เกิดจากธาตุสี่คือความพร้อมมูลปลองดองแห่งธาตุทั้งสี่เกิดกําลังหรืออํานาจอันสําคัญอเกิดกําลังหรืออํานาจอันสําคัญขึ้นอย่างหนึ่งเรียกว่ามโนแปลว่าใจอมโนนี้มีสายอยู่ห้าสายสายนี้ถ้าเรียกหนังนก็คือว่าเป็นถนนหรือว่าเป็นวิถีเป็นหนทางเป็นหนทางอที่ปากหรือว่าที่ปลายแห่งสายเหล่านี้เรียกว่าทวาร นะเช่นอะไรคือในตาก็เรียกว่าจักษุทวาร น, นะหูก็เรียกว่าโสตทวารจมูกก็เรียกว่าคารณทวารลิ้นก็เรียกว่าชิวหาทวารกายก็เรียกอ่ากายก็เรียกว่ากายทวาร น, นะตาเห็นรูปนะหูฟังเสียงจมูกดมก ล, ลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสนะ แล้วใจก็ได้รับความรู้สึกทางวิถีทั้งห้าคือรูปเสียงกลิน่นรสผดสะพะอันเป็นเหมือนเงาฉายมาปรากฏแก่ใจเรียกว่าธรรมะหรือว่าธรรมอารมณ์แล้วใจก็ส่งไปตามวิถีแห่งกายหรือตามวิถีอื่นให้อวัยวะทากิจนั้นๆเพ่งความรู้ที่ใจได้รับทางทวารทั้งหกท่านจึงเรียกว่าจักสุทวานบ้างโสตะวิญญาณบ้าง จักสุวิญญาณบ้างโสดวิญญาณบ้างคานวิญญาณบ้างชิวหาวิญญาณบ้างกายวิญญาณบ้างถ้าเพ่งเอาความรู้ของใจเองก็เรียกว่ามโนวิญญาณเหล่านี้แหละเรียกว่าธาตุแต่ละอย่างละอย่างที่เป็นทาวารหกที่เป็นทาวารหกที่เป็นอารมณ์หกที่เป็นวิญญาณหกรวมเป็นสนะิบแปดรวมเป็นสิบแปดที่บอกว่า ธาตุสิบแปดอินทรียี่สิบสองน่ะที่ว่าอารมณ์ของอารมณ์ของวิปัสสนานี่ยก็มีตั้งแต่สัง ข, นนขันสองฮขันห้าอาจนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรียี่สิบสองนี่แหละมาจากนี่เดียวนะตั้งแต่เรียกว่ารวมตั้งแต่ธาตุตั้งแต่เริ่อจักกูธาตุมาเลยนะจักกูธาตุวิญญาณธาตุมาะฉะนั้นด้วยเหตุอันนี้นะอเราทั้งหลายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เรานั้น ดำรงชีวิตที่มีความรู้รอบเกี่ยวกับตัวของเรามากยิ่งขึ้นนะเพราะความฉลาดรอบรู้ในธาตุเป็นปัญญาอย่างสูงสุดนะเป็นปัญญาที่นิยมยิ่งในทางพระพุทธศาสนาปัญญาในใจสิกขาคือหมายถึงว่าศีลและสิกขานะสมาธิสิกขาหรือปัญญาสิกขาคสิกขาสามของปิสุเนะ ท่านก็ประสงค์เอาปัญญาในาธาตุนี้เองปัญญาในาธาตุนี้ย่อมเป็นปัญญาที่ต้องประสงค์ยิ่งนักทั้งในทางพระพุทธศาสนาและก็ทั้งในทางโลกนะอันนี้ก็จะขยายกว้างต่อไปาธาตุตั้งหลายอแต่ลําพังก็ดีที่ควบคุมกันเข้าเป็นสิ่งเป็นอันอซึ่งเรียกว่าสังขารก็ดีที่คนเราได้พบได้เห็นอยู่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยย่อมเป็นไปตามธรรมดา และเป็นมาแต่เหตุอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นอีกนะาธาตุเหล่านี้อาจให้โทษก็มีให้คุณก็มีนะเรียก ว, ว่าให้ดีก็ได้ให้ร้ายก็ได้ถ้าคนเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่อาจรีเกุอันจะให้โทษได้นะไม่อาจจะถือเอาเหตุอันจะให้เกิดคุณได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องวิบัติก็แน่นอนที่สุดก็ย่อมแกวต้องวิบัติ เรียกว่ามีทั้งวิบัติแล้วก็มีทั้งสมบัตินะอาจจะสมใจแล้วก็อาจจะไม่สมใจนะนนี้ต้องเสี่ยงเรียกว่าเสี่ยงดีเสี่ยงร้ายกันว่างั้นต้องเสี่ยงข้อนี้แหละจึงว่าเป็นผลเป็นเหตุถือเอาเคราะหดีและเคราะห์ร้ายแต่ความจริงความดีความเคราะร้ายนั้นเป็นผลเกิดแต่เหตุทั้งนั้นะเกิดแต่เหตุทั้งนั้นะไม่จะเกิดแต่อะไรนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเหตุ ก็ย่อมดับลงด้วยเหตุอีกเหมือนกันเยธรรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเหล่าใดเกิดจากเหตุตถาคตตรัสเหตุและความดับเหตุแห่งทำเหล่านั้นอพระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้นี่นี่เป็นหลักฐานให้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากเหตุและก็ย่อมดับลงด้วยเหตุนั่นเอง เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุแต่บางอย่างก็ปรากฏอย่างลี้ลับนะอย่างลี้ลับบางครั้งก็เกินภูมิปัญญาของเรานะแต่บางอย่างก็ไม่เกินภูมิปัญญาของเราคนเรากำหนดรู้ธรรมดานิยมขึ้นได้เพียงใรหรือกำหนดรู้ธรรมชาติขึ้นได้เพียงไรก็ย่อมได้ประโยชน์สองประการแสดงตัวอย่างในทางโลกพอเห็น เช่นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดชนิดหนึ่งในเวลาที่คนเรายังไม่รู้เท่าถึงการก็คงจะผลานชีวิตมนุษย์เสียมากกว่าทันคนเราพอเข้าใจรู้จักว่าโรคชนิดนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุเช่นไรน่าเกิดขึ้นเพราะเหตุเชคือเพราะธาตุภายในกําเริบหรือพิการมีสิ่งนั้นเป็นกู่ปรับคือจะต้องรักษาเอาเอธ า, าตุภายนอกนั้นๆมาประกอบกันเข้าเป็นยากว่าจะได้ป้องกันรักษาโรคภัย ให้เจ็บสิ่งนั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้และก็รักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็จะให้หายได้ก็สามารถจะช่วยชีวิตมนุษย์ให้รอดจืนยาวไปได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องรูทา่าดังนั้นจึงบอกว่าหมอกลางบ้านสมัยก่อ น, นเขาฉลาดเขาไม่ได้มาเรียนเหมือนกับในแพทย์ในปัจจุบันนี้นไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้วิทยาการต่างๆไม่มีก็ใช้วิธีการบวกลบคูณหารเกี่ยวกับเรื่องธาต ตอนไม้ทุกชนิดเป็นยาทางนั้นนี่คนโบราณเขารู้นะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรแต่สมัยนี้ก็เลยมองข้ามไปเนี่มองข้ามไปคือถ้าบอกว่าเป็นยาโบราณเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรก็รู้สึกว่าบางครั้งก็เกินวิสัยของแพทย์เหมือนกันแต่แพทย์ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรกันมากนะอันนี้อาตมาไม่เคยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรก็ยังได้มีโอกาสสนทนากับในแพทย์ ใหญ่ๆตามโรงพยาบาลก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเครื่องสมุนไพรท่านก็อยอมรับที่ท่านได้ที่สูตรค้นฟ้าหมาว่าบางอย่างเนี่ยมีคุณค่ามากนะมีคุณค่ามากเลยนะอย่างเช่นว่าบางครั้งยังโรคเบาหวานเนี่ยเรารักษากันไม่ค่อยหายนะท่านก็บอกว่ายังใบอินทนิล น, น้ําเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เอาใบอินทนิล น, น้ําเนี่ยมาต้มสับนะสดน้ํากินต่างน้ําชาก็หายได้นี่ ดังนั้นท่านฟังอย่างนี้แล้วก็ลองไปทํำดูใบอินทนิล น, น้ำนะอย่าไปเอาอินทนิลบกเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดไม่หายเขาก็ยุ่งกันเลยนะยุ่งกันหรือว่าคนเป็นโรคกระเพาะอย่างนี้เขาก็เอาไอ้กระลำปลีนี่มาต้มกับหมูขึ้นนะต้มให้และใช่ไหมอ่นะอย่างนี้กินบ่อยๆเขก็หายได้นี่เห็นไหมมันของดีมันเป็นเรื่องดีทางน้ำเลยนะไม่ใช่เป็นของของกินยากเย็นอะไรยิ่งหัวปลีกับหมูดีแม่เป็นอาหารโอชาเลย ถ้านะอ้พวกลีเนะี่ยมันมีสารต่างๆเยอะนี่จะรักษาโรคกระเพาะได้นะหรือว่าคนเป็นโรคฤทธิดวงทวารเนี่ยนะคนโบราณเขาก็ให้ใช้เพชรสังฆาตนะเพชรสังฆาตหรือว่าว่านเพชรสังฆาตเนี่ยเอามาเป็นก ข, ข้อมาตําแล้วก็เอามากินเข้าไปปั้นเป็นลูกกรนนะปั้นเป็นลูกกรนกินเข้าไปไม่กี่ข้อก็หายนะแล้วก็ไม่มีการเจ็บแสบร้อนเหมือนกับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้นะ ถ้าผ่าตัดเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเรื่องโอคพวกโริดสีดวงทวานี้บางครั้งมันก็ไม่หายนะมันหยุดไปได้ชั่วอครั้งชั่วคราวแล้วก็มันก็งอกขึ้นมาอีกนอะแต่ว่าในแพทย์แผนโบราณ น, นั้นก็เขาก็มีวิธีมียาหลายๆอย่างแต่ว่าว่านเพชรสังฆาตในอย่างหนึ่งที่คนเขารักษากันมาที่หมอรักษากันมาก็บอกว่ารักษามาเป็นร้อยคนก็ยังไม่เคยมีใครที่ไม่หายนะยังไม่มีใครที่ว่าไม่หายนะแต่ว่า ว่าเป็นสังคัดนี้ท่านผู้ฟังต้องคิดทําทความเข้าใจตรงนี้ว่าเวลาท่านจะรับทานนั้นท่านจะต้องเอากล้วยหรือว่าเอาอะไรห่อใชะทําทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาส้มมะขามเปียกห่อก็ได้ถ้าไม่ห่อแล้วไอ้ยาที่กินเข้าไปเนี่ยมันคันน่ยมันคันคอคันปากนะเดี๋ยวจะกินเข้าไปเพ ป, ปล่าหรือจะมาโทษอาตมาจะก็ยุ่งอีกนะฉะนั้นอันนี้ก็บอกย้าให้ที่เห็นในแพทย์ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งสําคัญนะเห็นโรคเบาหวานโรคกระเพาะโรคเรื้อนดวงทวารเนี่ย เนี่ฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้หรือว่าส่วนรายละเอียดนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจก็เอาไว้ค่อยคุยกันเป็นส่วนตัวดีกว่านะเป็นส่วนตัวดีกว่านี่เกี่ยวกับเรื่องยาฉะนั้นคนสมัยก่อนจึงรู้ว่าคนที่เป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะขาดธาตุนั้นธาตุนี้แล้วก็ไปเอาไอ้ต้นไม้ที่มันมีธาตุอย่างนั้นเข้ามาเอามาเพิ่มเติมธาตุที่ขาดไปก็สามารถที่จะบําบัดโรคนั้นหายได้เอามาบําบัดโรคนั้นหายได้นี่นี่มันเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องธาตุเนีเรื่องธาตุเรื่องสมุนไพรเรื่องต้นไม้เนะี่ฉะนั้นอันนี้แหละจึงจึงเป็นสิ่งที่ที่อัศจรรย์ในสมัยพุทธกาลก็มีหมอชีวโกโมารพัฒก็ถือว่ า, ถ, วาถือว่าเป็นแพทย์หลวงนะประจําพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ยังเป็นแพทย์ที่รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยนะท่านก็มีความแตกฉานมากถือว่าเป็นต้นตํำรับในเรื่องของยาสมุนไพรนะแพทย์แผนโบราณฉะนั้น เวลานนั้ตำโรงเรียนแพทย์แผนโบราณจึงต้องมีรูปต้องมีรูปปั้นหรือรูปวาดเหมือนของหมอชีวโกโกมารพัฒนขึ้นมาเป็นการบูชาสักการะนะท่านก็รักษาได้ทุกโรคเลยเป็นหมอที่ขึ้นชื่อเือชามากขึ้นชื่อเือชามากประวัติของท่านก็น่าศึกษาดังนั้นท่านนักเรียนนักศึกษาท่านสาธุชนผู้สนใจก็ลองไปหาตำโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพวัดมหาธาตุก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง หมอฉีวโกนพัดได้ดีนะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องธาตุนะเรื่องธาตุที่เราได้ว่ามาธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมหรืออากาศธาตุหรือวิญญาณธาตุนะมันเกี่ยวกันก็สามารถที่จะทําให้เรานั้นหาสมุนไพรมาประกอบยาให้ถูกกับธาตุต่างๆก็จะทําให้ช่วยชีวิตมนุษย์นั้นหรือว่าต่อชีวิตสนุษย์นั้นให้ยืนยาวต่อไปได้ เมื่อเรามากําหนดรู้คุณสมบัติอย่างนี้นคุณสมบัติอย่างนี้ของธาตุนั้นแล้วก็เอาธาตุนั้นมาประกอบขึ้นเป็นเครื่องบริโภคเครื่องใช้สอยอ่าเป็นเป็นเรือนเป็นยานพานะอื่นๆได้อีกนี่่นีเรื่องของเรื่องก็คือได้เกิดสติปัญญานธาตุในทางโลกก็ยังยังสําคัญอย่างที่ว่ามาอย่างนี้นะในทางพระพุทธศาสนาก็ยิ่งสําคัญมากไปกว่านี้เขาอีกลึกซึ้งไปกว่านี้เขาอีก นะฮลึกซึ่งไปที่พูดมาเกี่ยวกับเรื่องธาตเรื่องยานั้นมันเป็นแต่เพียงทางโลกนะเป็นแต่เพียงทางโลกฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าวิมุตมติเนี่ยวิมุตเนี่ยนะวิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยจึงเป็นคุณวิเศษสุดในทางพระพุทธศาสนาผลที่สุดของพรหมจรรย์ก็คือวิมุต tn ี่เองรวมความว่าวิมุติเป็นยอดแห่งความปรารถนาทั้งปวงและวิมุตินี้ก็จัะเกิดขึ้นได้นะเพราะอาศัยความเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ในกองแห่งธาต รอบรู้ในกองแห่งธาตุหมายถึงว่าในธาตุต่างๆเป็นธาตุธาตุีเถ้าดินน้ำไฟลมหรือว่าธาตุพกเพิ่มอากาศธ า, าตุกับวิญญาณธาตุเข้ามาเนี่ยต้องรู้ต้องฉลาดเกี่ยวกับเรื่องธาตุแล้วคนผู้ไม่ฉลาด เกี่ยวกับเรื่องในกองแห่งธาตุเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาก็ดีได้ฟังเสียงด้วยหูก็ดีได้ดมกลิ่นด้วยจมูกก็ดีได้ลิ้มรสด้วยลิ้นก็ดีได้ถูกต้องสัมผัสด้วยกายก็ดีได้รู้อารมณ์ด้วยใจก็ดีถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความดีก็เก<อ>ิดความกำหนัดนี่ยินดีถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายก็ทําให้เกิดความทุรนทุรายเดือดร้อนทําให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วทําให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้ว นี่แหละจึงบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องธาตุนะการดําเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องธาตุทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกก่อนยังได้ว่ามเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยูกยาที่เป็นสมุนไพรในทางพระพุทธศาสนาก็คือว่าในเมื่อธาตุต่างๆที่มากระทบสัมผัสกันทางตาทางหูทางจมูกทางเลนทางกายทางใจถ้าหากว่า เราเป็นผู้ฉลาดแน่นอนที่สุดเราก็จะรู้เท่าทันว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนนะไอเสียงที่มากระทบกับหูก็สักแต่ว่าเสียงนะสักแต่ว่าเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนนะรสก็สักแต่ว่ารส ไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนกายสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนใจนึกคิดในายลมต่างๆก็เช่นเดียวกันนะนี่เนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ฉลาดผู้ฉลาดในทางพระพุทธศาสนาและฉลาดอย่างนี้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาตามหลักคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้า และจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตผู้ใดฉลาดรู้อย่างนี้มีความสํารวมระวังอย่างนี้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงก็คือว่ารู้จักกําหนดหมายรู้จักละรู้จักวางแน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุรนทุราย Casey. ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความเศร้าหมองแห่งใจนะไม่มีความเศร้าหมองแห่งใจก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวนะมีแต่ความสุขอย่างเดียวยิ่งไปกว่านั้นก็ยังเป็นประโยชน์กับ คนที่ได้มาคบค้าสมาคมอีกด้วยนะเพราะว่าคนเราถ้าหากว่าเราไปคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วก็พาตัวอัปราชัยพระพุทธองค์ท่านได้ตัดไว้ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดก็ย่ังเป็นเช่นนั้นคบคนดีก็เป็นคนดีคบคนชั่วก็เป็นคนชั่วฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ในมงคลสูตรขึ้นต้นก็บอกไว้เลยว่าอเสวนาจะพาลานังปัิตานันจ่าเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตัมมัง ว่าการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลนี่ท่านว่าฮะนะคบคนพาลนั้นมันไม่เป็นมงคลอ่าฉะนั้นไม่คบคนพาลนั่นแหละเป็นมงคลเป็นความเจริญเป็นความก้าวหนะ้าเพราะอาถ้าไปคบคนพาลคนพาลมันก็พาไปหาผิดทุนพาลมันก็พาไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คนพาลมันก็ชักนําเราไปทําแต่ความชั่วเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงสุราเป็นให้คบ คนชั่วมีการชกชิงวิ่งราวหรือว่ามีการาจีบล่นค่ากันอยู่อย่างนี้เป็นประจานี่ก็คือเรื่องของคนผ่านมันยุ่งนะฉะนั้นเราต้องไม่คบคนผ่านเราก็ไม่ยุ่งนะเราก็ไม่ยุ่งนี่คือเราฉลาดนะเราฉลาดแล้วก็บอกตัวเลยว่าเมื่อเราไม่คบคนผ่านเราต้องคบบัณฑิตก็คือคบคนดีคบนักบาร์ดนะคบนักบาร์ดคบเมธีคนดีคือคนฉลาดนะคนฉลาดนั้นก็ยอ่ยอมอยู่ตั้งอยู่ใน หลักเกณฑ์การก็คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักประชุมชนรู้จักเลือกคบบุคคลนี่แหละเป็นธรรมของนักปราชญ์เป็นธรรมของผู้ดีนะเป็นธรรมของบัณฑิตนะฉะนั้นให้เรานั้นบูชาคนที่ควรบูชานะคนที่ควรบูชาก็คือบัณฑิตนะบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่าบิดามารดาของเราต้องควรบูชาพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็ควรบูชานะหรือผู้มีพระคุณต่างๆพระราชามาษัตริย์ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราจะต้องบูชาเมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญเราจะไม่มีแต่ความเสื่อมเลยนะฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่ามันเป็นมงคลนะเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ก้าวหน้านะฉะนั้นส่วนคนฉลาดในกองแห่งธาตุต่างๆรู้เท่าทันตามสภาวะวความเป็นจริงของาธาตุของสังขารของร่างกายก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรนะ เห็นเป็นแต่ธาตุหกแล้วก็ธาตุเหล่านั้นต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปนอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปถ้ามันแยกกันแน่นอนที่สุดมันก็อยู่กันไม่ได้นอยู่กันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นาจะต้องรวมกันเป็นกลุ่มเป็นกองปรองดองกันนปรองดองกันยังธาตุสีเนี่ยมันปรองดองกันเข้าจึงทาให้เกิดเป็นร่างกายเป็นสังขารแต่ถ้าหากว่าธาตุสีไม่มีการประชุมกันไม่ปรองดองกันแน่นอนที่สุดมันก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นโทษ เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษไปยังไงเพราะมันหมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันหมดไปตัวเราก็จะพลอยหมดไปด้วยฉะนั้นบางคนก็สังเกตตดูอย่างง่ายๆก็คือเป็นอมาภะพาศนี่เพราะธาตุบางอย่างมันไม่ทํางา น, นเป็นอมาภาะพาอพูดไม่ได้เดินไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้นี่แหละมันจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนแต่เมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้น รู้สภาวะความเป็นจริงของสังขารของมนุษย์หรือว่าของสิ่งที่ไม่มีชีวิตต้นไม้รากไม้บ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงนะไปตามความเป็นจริงถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันแยกออกจากกันแน่นอนที่สุดมันก็สลายไปเสื่อมไปนะไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายอ่านะเป็นแต่สักแต่ว่าถ้าประชุมกันเข้านี่เราเข้าใจอย่างนี้และพรากออกจากกันเท่านั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ย่อมหน่ายในทุก นะย่อมหน่ายในทุกข์ัดขันนะไม่เพลิดเพลิ น, นะไม่เพลิดเพลินหมกมุ่นในธาตุอันยั่วยวนสเสน่หาเมื่อนายย่อมสิ้นกำหนัดเมื่อสิ้นกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นะนี่แหละคือวิมุตต์คือความหลุดพ้นย่อมเกิดมีเพราะความรอบรู้ในกองแห่งธาตนะุในกองแห่งธาตุหรือยังที่เราที่พระพุทธองค์ได้ตัดไปว่าสัพเพสังคารานิจจาสัพเพสังคาราทุกขา สัพเพธรรมะอนัตตายะภาปัญญายปัจติอัถนิพินติทุเขเเอสัมมโควิสุทธิยา <c oughs> เมื่อใดเรามาพิจรารณาด้วยความรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังข์ธรรมไม่มีทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อนั้นเราก็ย่อมหน่ายในทุกเอเมื่อหน่ายในทุกแล้วก็นี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพาน แห่งมรรคผลนิพพานแต่ที่เราไม่รู้ว่าสังขารที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนแน่นอนที่สุดเราก็หลงไปยึดเข้าหลงไปยึดเมื่อหลงไปยึดมันก็เกิดทุกข์ตามสภาวะจะเป็นสภาวะทุกข์เกิดก่เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็อเป็นทุกข์หรือปกิณ ก, กนน ะ, ะทุกข์ ดังแต่โสกะปริเทวทุกขาโทมนัสอุปายาสะอปิเยสัมปโยโคโทุกโภภิเยวิปโยโคโทุกโภยงปิดฉังนรปติตามปีทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาก็หมายความว่าไอความโศกเศร้า ก, ก็เป็นทุกข์อ่าปริเทวะความกังนวนลำไรก็เป็นทุกทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจอ่าโทมนัสคือความเสียใจอุปายาสะความแห่งแรงความตรอมใจอ่า อภิเยสัมปโยโคทุโภครประสบสิ่งที่ไม่ไม่รักนะหรือว่าพลัดประสบสิ่งที่ไม่น่ารักเราก็เป็นทุกข์นะพลัดภาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ก็เป็นทุกข์นะเมื่อโดยย่อแล้วก็คือทุกข์ในขันห้านั่นเองนะ เ, เมื่อมีขันห้าก็เป็นทุกข์นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่แหละเป็นที่รวมแห่งทุกข์ต่างๆแต่ว่านักปราบัตเมื่อเข้าใจแล้วแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะไม่ยึดมั่นถือมั่ นะไม่ยึดมั่นถือมันไม่หมกมุ่นอเพลิดเพลินในสังขารหรือว่าในธาตุอันยั่วยวนเสน่หาจะเป็นรูปสวยหรือไม่สวยก็ทําใจให้เป็นกลางจะเป็นเสียงดีไม่ดีก็ทําใจให้เป็นกลางนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางขายทางใจนั้นเราต้องทําใจให้เป็นกลางเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เพียงสักแต่ว่ า, าธาตุเท่านั้นนะเป็นจักแต่ว่ า, าธาตนะุประชมกันเข้านะ ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมดกันไปอเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็ทําให้เกิดนิพพิทายานนะรู้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้วเมื่อเราเบื่อหน่ายในในธาตุต่างๆนะหรือในร่างกายหรือว่าในขันทนะ่าแน่นอนที่สุดเราก็ย่อมจะสิ้นกําหนัดก็คือตัววิราคะนั่นเองนะวีราคะเมื่อเราสิ้นกําหนัดเราก็ถึงวิมุติคือความหลุดพ้น เมื่อเราถึงความหมลุดพ้นด้วยการรอบรู้ในกองแห่งท่าต่างๆนี่แหละก็คือเป็นทางแห่งบริสุทธิ์เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานฉะนั้นเกี่ยวกับในเรื่องอที่เราเรียนรู้ท่าถกนั้นก็คือว่าเพื่อให้เรานั้นได้หลงไหลไฝ่ฝันเกี่ยวกับในสภาวะธรรมต่าง ๆ, ๆไม่เราหลงยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องตัวในสภาวะธรรมต่างๆเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายทีนี้จะสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องเป็นปัญหาว่าง ธาตุสีประชุมกันเข้า ạ. ประชุมาากันก็นักว่าเป็นกายถ้าธาตุหกประชุมกันเข้าจะเป็นอะไรถ้าธาตุสีรวมกันเราก็เรียกว่าเป็นกายถ้าธาตุหกรวมกันเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นกายกับใจธาตุดินธาตุดินอธาตุคือดินน้ำไฟลมอากาศอประชุมกันก็เป็นกายเป็นวิญญาณเป็นกายเป็นวิญญาณก็คือเป็นเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นใจ อ่าอันนี้ขอให้ท่านฟังให้ดีว่าธาตุสี่ประชุมกันเนี่ยก็ท่านนับว่าเป็นกายถ้าธาตุหกประชุมกันก็เป็นอะไรธาตุสี่ประชุมกันก็เป็นกายนะแต่ถ้าธาตุหกประชุมกันก็เป็นเป็นกายกับเป็นใจนะเป็นวิญญาณธาตุก็คือเป็นใจนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าจะย่นธาตุทั้งหกนดินน้ําไฟลมฮะอากาศวิญญาณเนี่ยให้ลงในธรรมสองประการคือรูปกับนามเราจะย่นอย่างไร อันนี้เราก็ยนเอาธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศทั้งห้านี้เป็นรูปธรรมนะแล้วก็วิญญาณธาตุนั้นเป็นนามธรร ม, าามทีนี้ถามว่าอากาศธ า, าตุมีลักษณะให้รู้ด้วยวิธีอย่างไรอากาศธ า, าตุมีลักษณะให้รู้ด้วยวิธีการอย่างนี้ก็คือว่าเอากระบอกกรองน้ํามาปิดช่องบนเสียให้แน่นนะแล้วก็จุมลงไปในน้ําจะรู้สึกว่า น้ำเข้าไปได้น้อยอน้ำเข้าไปได้น้อยแล้วก็มีเหมือนเหมือนว่ามีอะไรดันอยู่ขวางหน้าอยู่คราวนี้เราก็เปิดนิ้วมือออกจากช่องแล้วก็รอไว้ที่ใกล้ๆอจมลงไปในน้ําอีกจะรู้สึกว่ามันมีการสัมผัสกับอากาศเย็นๆนะเย็นๆนั่นแหละคืออากาศสาทัทธาถูกน้ําอัดขึ้นมาและก็กระทบกับนิ้วของเรานะกระทบกับนิ้วของเรานี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าอากาศสาทัทธาจะมีลักษณะอย่างนี้หรืออย่างเช่นว่ายัางกัหลอดน้ำแข็งเ่ะ ถ้าเราเอามืออุดที่ปลายข้างหนึ่งแล้วก็จมลงไปในน้ําเนี่ยน้ามันจะเข้าได้ไปไม่เต็มหลอดนะเพราะมันมีอากาศดันอยู่นะเนี่ยดันอยู่ก็เช่นเดียวกันทีนี้เราจะถามว่าวิญญาณน่ธาเกิดจากอะไรนะวิญญาณนธาต์ก็คือเป็นธาต่เกิดจากธาตุทั้งสีนั่นเองคือธาตุทั้งสีมาประชมุมมาปรองดองกันเข้านะเกิดเป็นกําลังเป็นอํานาจสําคัญขึ้นอย่างหนึ่งเรียกว่าใจนะเรียกว่าใจหรือเรียกว่ามโนนะ ความรู้ที่เกิดขึ้นเพราะอาจนะกระทบกันเรียกว่าวิญญาณนี้จัดเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าความฉลาดในธาตุทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกมีประโยชน์อย่างไรคือหมายความว่าการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธาตุทั้งภายในภายนอกนี้มีประโยชน์อย่างไรอันนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีประโยชน์มากนะคนที่ฉลาดในธาตุรอบรู้ในธาตุก็รู้จักเอาธาตุภายในภายนอกมาผสมกันเข้า ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นไฟฟ้าทอร์เรเลขโทรศัพท์วิทยุเป็นต้นนะแพทย์ก็สามารถรักษาโรคต่างๆให้หายได้ก็เพราะฉลาดในธาตุภายในนำเอาสรรพคุณต่างๆมาประกอบเป็นยารักษาโรคนั้นให้หายได้ส่วนในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงว่าพูดถึงเรื่องวิมุตติว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไดนะ้คนฉลาดทั้งภายในภายนอกรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็สามารถจะแยกธาตุออกเป็นส่วนออกเป็นกองนะ เมื่ออาจนะภายในกับภายนอกกระทบ ก, กันก็หาวันไหวไปตามอารมณ์ไม่นะซึ่งเป็นที่ตั้งเห็นความยินดีและก็ความยินร้ายย่อมรักษาใจให้เป็นปกติก็คือทําใจให้เป็นทางกลา ง, ลางนี่แหละคือสมเด็จพระสัมมาสูตเจ้าทรงทราบพาดทั้งภายในภายนอกอย่างนี้แจ่มแจ้งอย่างนี้และพระองค์ก็คือละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีแต่ความสุขความสบายก็ทําให้เรานั้นเกิดความเบื่อหน่ายใน ธาตุอันมายั่วยวนทําให้เรานั้นไม่ติดนะไม่หลงนะไม่ติดไม่หลงก็ไม่ประมาทในการดํารงชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความสบายเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธาตุหกมาก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร